เมื่อประมาณสักย0ปีก่อนมีดาราแล้วก็นักร้องชื่อดังคนหนึ่งนะชื่อยูยีนะอลิศาแต่ว่าหลังจากนั้นนะก็เกิดพลังพลาดนะไปพัวพันกับยาเสพติดก็เลยถูกตัดสินจำคุกเนะปีจากชีวิตที่อยู่ในแบดวงดาราพวกเซเลบหรือพวกไฮโซ ต้องมาอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันเหมือนฟ้าก็เหวเลยนะแล้วก็เธอก็พบกับความลําบากนะที่หลับที่นอนก็ไม่สบายต้องนั่งกับพื้นนะแล้วก็เรือนจําก็แน่นขนาดนั่งกันไหลเกยกันเลยนะไม่มีที่วางแม้กระทั่งจะวางพื้นเรื่มีความทุกข์มาก และที่ทุกข์มากที่สุดคือห่วงลูกเพราะลูกก็ยังเล็กแม่เนี่ยเวลาต้องเหินห่างลูกซึ่งลูกยังเล็กนี่มันทุกข์ทรมานมากความทุกข์เนี่ยพอสะสมมากเข้าก็ทำให้เธอเป็นโรคซึมเศร้าอย่างรุนแรงจนกระทั่งต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในเรือนจาพออาการเริ่มดีขึ้นหน่อยนะ เธอก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยผู้ช่วยในโรงพยาบาลก็มีห้องพักเล็กๆมีเตียงอาจารยที่จะนอนเสือก็นอนเตียงมีพื้นที่ส่วนตัวได้เล่นโยคะได้นั่งสมาธิแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสําคัญเลยนะการที่มีพื้นที่เล่นโยคะนั่งสมาธิเนี่ยแต่ว่า พอมาได้สิ่งนี้ในเรือนจำนี่โอ้มันเป็นความสุขมากนะเธอบอกว่าเธอได้เรียนรู้จากการมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆซึ่งมันเรียกว่าเติมสุขให้ใจที่ทำให้ช่วยนะคลายความซึมเศร้าได้แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญนะในการเยียวยาจิตใจของเธอเนี่ยก็คือเมื่อ ได้เจอญาติผู้ป่วยในโรงพยาบาลนี่ก็มีผู้ป่วยหลายคนนะที่ไม่มีญาติอยากจนด้วยแล้วก็ไม่มีญาติเลยและคนเหล่านี้ก็มีเยอะด้วยนะที่มาป่วยในโรงพยาบาลของเดินจําเนี่ยพ อ, อได้คลุกคลีได้ฟังเรื่องราวแล้วก็ได้รู้จักกับคนเหล่านี้เนี่ย ผู้ป่วยที่ไร้ญาติเนี่ยเธอก็รู้สึกเลยนะโอฉันที่โชคดีกว่าคนอื่นเยอะเลยโชคดีที่ช่วยฉันไม่ได้แย่แบบนั้นและที่สำคัญคือว่าพอเธอได้ไปช่วยผู้ป่วยเหล่านั้นเนี่ยเธอก็มีความสุขนะพอรู้สึกว่าช่วยมีคุณค่ามากขึ้นและเพราะว่ามันช่วยทําให้เธอคลายจากความซึมเศร้าได้ พอเธอออกจากเรือนจําเพราะพ้นโทษเนี่ยเธอก็มาเล่าในวันเนี่ยไอ้ที่เธอเดียวยาหายจากโรคซึมเศร้าได้เนี่ยที่สําคัญคือการที่ได้ช่วยผู้อื่นช่วยคนที่ลําบากกว่าเธอที่จริงเพียงแค่ได้เจอได้สัมผัสเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะแล้วนะเพราะได้รู้ว่าโอ้เรายัางโชคดีกว่าคนอื่นก็เยอะ แต่แน่นอนนะพอได้ลงมือช่วยเขาด้วยเนี่ยโอ้มันช่วยเดียวยาจิตใจได้มากเพราะมันเติมความสุขให้ใจให้ความสุขที่เกิดจากการไปช่วยผู้อื่นนี้มันก็ช่วยขับไล่นะความทุกข์ความซึมเศร้าออกไปจากใจได้เธอก็เลยตั้งใจว่าเนี่ยพอออกจากคุกแล้วนี่ก็จะพยายามทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ตอนนี้ก็เลยตอนนี้พอได้สรารภาพแล้วก็เลยตั้งใจจะทำตั้งใจจะท ร, รนะศูนย์เยียวยาเนะลยฮีล l i n เซ็นเตอโดยสายนะเทคโนโลยีออนไลน์นะก็หวังว่าประสบการณ์ที่เธอมีนะในช่วงที่ถูกจองจำเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่ประสบด้วยตัวเองหรือความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นที่ลำบากกว่าตัวเนี่ยนะมันจะเป็นต้นทุนสำคัญนะในการที่เธอจะได้ช่วยคนอื่นต่อไปแล้วก็เป็นโอกาสในการประกอบอาชีพได้ด้วยในเรื่องการเห็นคน ที่ลำบากกว่าเราเนี่ยนะมันมีความหมายต่อจิตใจเรามากนะคนเวลามีความทุกข์มากๆเนี่ยหากว่าได้เห็นคนที่ลำบากกว่าเราเนี่เว้ยมันช่วยเปิดเปื้องจิตใจเราจากความทุกข์ได้ไม่น้อยเลยนะอยมีพี่คนหนึ่งเนี่ยไปเข้าคอสสปฏิบัติธรรมที่สำนักแห่งหนึ่งนะสำนักนั้นเนี่ย เขาก็ให้นั่งสมาธิยาวเลยนะตั้งแต่เช้าจดเย็นเป็นเวลาเจ็ดวันแล้เธอก็ไม่ได้มีประสบการณ์การนั่งสมาธิยาวยาวแบบนั้นเนี่ยพอได้มาปฏิบัติธรรมในสถานที่แห่งนั้นเนี่ยแค่สองสามวันแรกก็ทรมานมากเพราะว่ามันมีทุกขเวทนาจากการที่ต้องนั่ง หลังขดหลังแข็งและแถมเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะทำให้มีความสุขเลยแต่ก่อนตอนอยู่ข้างนอกก็ได้เล่นโทรศัพท์มือถือได้กินของอร่อยฟังเพลงดูหนังแต่คราวนี้ต้องมานอกจากไม่ได้เสพสิ่งเหล่านั้นแล้วยังต้องมานั่งนิ่งๆคนเดียวถึงแม้จะอยู่ท่ามกลางหลายคนนะแต่ว่าคนเราเนี่ย สิ่งที่ทำความทุกข์ความเครียดให้กับจิตใจคือการที่ต้องอยู่คนเดียวไม่มีสิ่งเสรไม่มีสิ่งที่จะดึงดูดจิตใจให้มันเกิดความเพลิดเพลินกราะว่านะพอมัยที่ศาลผเครียดมากเลยนะใจนี่ก็ห่อเหี่ยวแต่เวลาทำการมันก็เหมือนกับศึกมันอัดแน่นอัดแน่นด้วยความเครียดอยากจะกรีดออกมาเลยนะ ในหลายคนนะจะมีความสื่อแบบเนี้ในการปฏิบัติธรรมตั้งใจจะมาหาความสงบนะแต่ว่ า, ากับเจอความเครียดจนอยากจะกรีดออกมาเลยนะแต่บอกว่าช่วงนั้นเนี่ยบังเอิญเห็นฝรั่งคนหนึ่งนะแกนั่งทุบออกตัวเองโหปฏิบัติ นะสมาธินะเจริญสตินะบอกว่าอาการหนักถึงกับทุบออกตัวเองเลยนะหลายครั้งเลยนะพอเธอเห็นนะมันก็ได้คิดขึ้นมาเลยนะโอเค้าอาการหนักกว่าเราเยอะเลยเขาทุกข์หนักกว่าเราเยอะเลยพอเห็นแบบนี้เนี่ยบอกว่าเธอรู้สึกโล่งเลยนะรู้สึกคลายจากความทุกข์ทันทีเลย กพได้รู้ว่า เ, เราโชคดีกับเขาเยอะนะเราโชคดีที่เราไม่ได้มีอาการหนักแบบเขาแลวเธอบอกว่าเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยนะจนถึงมาสุดท้ายของการปฏิบัติเนี่ยเธอปฏิบัติสบายมากเลยสิ่งแวดล้อมอยังเหมือนเดิมนะต้องนั่งตลอดวันเหมือนเดิมแต่ว่าความรู้สึกเปลี่ยนไปแล้ว เพราะหะไรนะเพรเห็นคนเห็นคนอื่นเขาอาการหนักกว่าเราเพีย <c oughs> <c oughs> งแค่นี้เนะี่ยเกิดความรู้สึก่เราโชคดีขึ้นมาเลยมันก็แปลกนะแค่ความรู้สึกแค่เนี้ยนะมันก็ทําให้้ความทุกข์นี่มันหายไปจากใจเลยจริงๆทุกกายไม่เท่าไหร่นะแต่ความทุกข์ใจส่วนนึ่งมันเกิดจากการที่ยอมรับไม่ได้นะยอมรับไม่ได้กับความเครียดความหงุดหงิดความ อ, อึดอัดที่เกิดขึ้น แต่พอเห็นฝรั่งวันนั้นทุบออกตัวเองนี่นะโอ้มันได้คิดเลยนะโอ้เราโชคดีกับเขาเยอะเลยใจมันเลยยอมรับได้นะใจมันเลยยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะทั้งกายกับแล้วก็ใจได้เพราะใจยอมรับนี่มันปล่อยมันวางเลยนะสิ่งสำคัญเนี่ยคือการยอมรับยอมรับสิ่งยอมรับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นไม่ผักใสมัน และเหตุผลที่ยอมรับได้ก็เพราะเห็นคนอื่นหนักกว่าเราพราะเนี่ยการเห็นคนที่เขาลําบา ก, กว่าเราทุกขกับเรานี่มันก็มีผลในการเยียวยาจิตใจได้เหมือนกันนะอย่างยูยีอริษานี่เขาก็รู้สึกดีขึ้นเลยนะเห็นผู้ป่วยที่ไร้ยาที่ลําบากกว่าตัวเองหรือว่าผู้หญิงคนที่นั่งสมาธิเราเห็นฝรั่งทุกออกตัวเองนี่นะเห็นร่างใจมัน เบาขึ้นมาเลยนเราโชคดีเราโชคดีก mm. ับเขาเยอะเราโชคดีที mm. ่ไม่หนักไม่มีอาการหนักเท่าเขาเนี่ยใจมันยอมรับได้แต่ก่อนมันผักสเพราะมันอาจจะบ่นโวยวายตีโพยตีพราวเนี่ยมันไม่แฟร์เลยไม่ยุติธรรมเลยแย่เหลือเกินแย่เหลือเกินพอเห็นว่าเราโชคดีกับเขานี่โอมันมันเลิกผักสเลยนะมันยอมรับพอยอมรับได้นี่มันวางเลย ความทุกข์ทั้งมวลเนี่ยทุกยังมีอยู่นะแต่ว่าใจยอมรับได้ความรู้สึกมันก็เปลี่ยนไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยเวลาหัดนะหัดมองแบบนี้บ้างแต่เดี๋ยวนี้คนเรามักจะมองคนที่เขาสุขสบายกว่าเราเลยทุกเนี่ยโดยเพราะเล่น Facebook บ่อยๆหรือว่าดูอ่ s อ a g r a m แกรบ่อยๆเนี่ยโซเชียลมีเดียมันทำให้เราเห็นว่าคนหนึ่งเขามีความสุขกว่าเราเพราะเขาโพสแต่ การไปเที่ยวตามที่ต่างๆได้กินอาหารอร่อยเขายิ้มย้มแจ่มใสเขาหัวเราะเขาเบิกบาน mm. ก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเขาโชคดีกว่าเราเขามีความสุขกับเราทั้งทั้งที่ส่วนใหญ่ก็เป็นการสร้างภาพ mm. เวลาจะถ่ายรูปเซิฟฟี่ตัวเองก็ต้องหัวเราะไว้ก่อ น, นไม่มีใครที่จะทําหน้าบึง้งให้เราคิดว่าเนี่ยเขามีความสุขแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราแย่ไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เลยยอมรับไม่ได้ แต่ถ้าเกิดเราไปเห็นคนที่ก็ทุกข์กับเรานี่ความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปเลยนะเพราะหัดมองแบบนี้บ้างมันจะได้ช่วยเยียวยาจิตใจตัวเองได้ไม่มากก็ น, น้อย